ตองจําวันนี้เป็นวันที่กหาหนดก็มาทงวัดร่วมกันเพื่อฟังธรรมกัน่ที่นี่ปกติก็ทงวัดทุกวัดอยู่สำหรับผู้ประสงค์จะเป็นกรณีพิเศษ เพื่อผู้ขนตนเองก็กัรหมดเอาวัดปฏิบัติของตนเพื่อให้มีสติเต็มที่เป็นชีวิตส่วนตัวมากเต็มที่โดยใช้ความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในการเจริญสติตครับประคองดูแตัวเองให้คุ้มดูแลกายดูแลใจ สองตนของตนให้รอดปลอดภัยโดยการใช้ชีวิตเป็นส่วนตัวยังไม่แบ่งให้ใครจะวนเวลาไว้ใช้ของส่วนตัวก่อนต่อใช้เป็นก็มีประโยชน์ต่อใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์มีโอกาสอยู่คนเดียวชีวิตส่วนตัวเห็นเจอตัวจะทําอะไรก็ได้ แต่หมกมุ่นคิดอาศัยความสงบเพื่อหลบนี gibt, studios, anya, nicht, ้เพื่อทำความชั่วเพื่อโง่เงานี่ก็ไม่สมัยก่อนผู้เจ้าก็เคยโดูด่าพระสงฆ์ที่เรียกเส้นปริวิเวกในป่าอยู่ป่าเพื่อโง่อยู่ป่าเพื่อฉลาดก็โง่จึงอยู่ป่า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 แต่ความลับของตัวเองเนี่ยไม่มีแน่นอนแม้แต่ความคิดการแสดงแบบต่างๆเราเป็นผู้ที่เห็นตัวเราเองอย่าหลอกตัวเราปีหลอกไม่กลัวคนหลอกไม่กลัวกลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองอนเราก็ต้องพอสมควรในการฝึกตัวเองอาศัย หลายๆอย่างแรงเสริมเข้าไปอาศัยทุดงบ้างวัดปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งจะมาเพอกตัวเองวันที่เห็นเจรตัวเห็นเจลับเจรนอนเห็นเจ่อยูอย่เจะกินเห็นเจรอารมทุดกสบายแล้วก็มีวัดต่างๆ ต, ตามทุดงกวัดสิบสามข้อ นำมาใช้ประกอบด้วยเอกานกังคาฉันอาสนะเดียวเป็นวัดแต่ลุกจากที่นั่งนี้แล้วไม่ฉันอีกในเวลาที่เราจะต้องสมทานทุดดงลูกขโมยวัดอยู่คนไม้เป็นวัด มันมีที่บุงได้บางอะไรไมันมีกฎอยูป่ปกปกปกกฎอยู่ไม่เลวว่าทุลูกของงวลละวัดถือผ้าสามพื้นเป็นวัดบินทบาทเป็นวัดอะไรต่างๆต่นั่งจะนอนจะเดินเป็นวัด กำหนดนี่เราก็เอามาเสริมด้วยอะไรที่จับพูด จ, ดจับพลูไปจับน้นจับนี่มันไม่ชัดเจนใส่ใจจิตใส่ใจตามตามงานของตนติดตามให้ได้เนี่ยหลายๆอย่างยิ่งเรามีสติก็ยิ่ง ชัดเจนหลายอย่างสติทําให้แม่นยำชัดเนจนแต่ผู้จะจาปาศัยจะขอบคิดจะใช้ชีวิตส่วนใดปริจ้อยส่วนใดชัดเจนลงไปใส่ใจอยากน้ำก็ใส่ใจจะแปลงฟันก็ใส่ใจแต่ผู้จะจาก็ใส่ใจจะกอบจฉันก็ใส่ใจ ให้ชัดเจนอย่าพลาดจะเตือนให้งดงามอย่าหลับก็ให้งดงามนอนสวยๆอย่าทิ้งตัวทิ้งกายทิ้งใจเกินไปเวลานอนก็ให้มังามบางขาวางแขนถ้านุ่งก็หม่มนอนถ้าทางงามงามขาอย่างพุ่เจ้าตะแคงข้างขวา ถตะแคงข้างซ้ายมันทับหัวใจอาจจะหย้ยหายใจไม่สะดวกตะแคงข้างขวา <c oughs> พอประมาณวางตัวให้ดีบรรจงในการนอนเวลานอนก็มือก็ไม่ทำไม่ทําอะไรแล้วตายก็ไม่ทําอะไรแล้วใจก็ไม่ทําอะไรแล้วอย่าหาเรื่องมาคิดในเวลานอน มีสติล้องไกรคำกับส่วนใดส่วนหนึ่งเวลานอนก็ปฏิบัติธรรมได้โอกาสดีเวลานอนได้ปฏิบัติธรรมหายใจก็ได้ส้ากะดิกนิ้วก็ได้ถ้ามันนอนไม่หลับกลมตัวเองก็ดี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 ให้มั่นใจในการกระทาของเราในการใช้ชีวิตปัญหาของเรามีแน่นอนเกิดเจ็บเจ็บตายเพื่อเราต้องเตรียมตัวอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นกีฬาไปเลยตัวจึงมีประโยชน์มากการฝึกตนสอนตนเนี่ยยิ่งเรามาเจริญสติ มันก็มีสูตรอยู่แล้วกายเคลื่อนไหวมีสติมีสติดูกายมันก็มีอยู่จริงกายก็มีจริงสติก็มีจริงสัมผัสกับสติสัมผัสกับกายจริงจริงไม่ได้เอาเหตุเอาผลนั่นได้มันมีอยู่ รก็เอาส่วนใดก็ได้เอามือสร้างจังหวะเอาเท้าเดินจังลมเอาลมหายใจเข้าออกส่วนหยาบยาบส่วนละเอียดมีอยู่จริงตามรู้ตามเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเฉพาะเรื่องไม่มีว่างเว้นมีนิมิต ม, ม, มีที่เกาะมีที่พึก เราจะเผื่อะไรต้องมีนิมิตมีความหมายจะกลัวเผื่อควยเผื่ช่างเผืม้าจะให้ทําอะไรตามความประสงค์ของเราเรานี้ก็เหมือนกันอันเผื่กัวเผื่อคุยังนอกตัวอยู่อันเพืกตัวเองมันอยู่กับตัวเองแท้ๆอย่าหลอกตัวเองเผื่ใจ มันก็มีอยู่จริงใจเนี่ยมันคิดมันมีสุขมีทุกข์มีผิดมีถูกอะไรเกิดกับใจเยอะแยะเอามันมาฝึกอย่าให้มันเถื่อนกันไปสอดรู้สอดเห็นมันมันสุขก็เห็นมันมันทุกข์ก็เห็นมันมันสงบก็เห็นมันมันฟุ้งซ่านก็เห็นมัน อย่าให้มันเป็นอิสระเพราะเราถูกฝึกเราฝึกกิตของเราแล้วปล่อยปปแล้วเลยมัน ก, ก็เกเรเหมือนกันจิตใจเนะนี่ยซ้ำอนมามา่าว ว, วเป็นสังขารเป็นจมูกไทยไปเป็นกิเลสต น, นะอะไรต่างๆได้มากมายปัญหาต่อใจแล้วไม่พอกระทบตัวเอง กระต่อคนอื่นด้วยการปฏิบัติธรรมคือการดูแลตัวเองให้ดีๆนี่แหละดูตัวเองให้คุ้มมันมีอยู่จริงใจอกายก็มีอยู่จริงสติก็มีอยู่จริงเข้ากันพอดีไม่มีอะไรที่จะฝึกได้เท่ากับสติกับกายสติกับจิตใจ เราก็ต้องให้มั่นใจจะับความชั่วที่กายก็ละได้ทันทีจะทําวก็ดีเอากายก็เอากายทําความดีทันทีนั่งเฉยๆงดนามให้ผิดศีลจะละความชั่วก็ละได้ทันทีอะไรที่มันนําชั่วจะก่าย วางลวงวงได้ไม่ต้องลีรอทันทีทันใดมีสติเข้าไปจะเอาใจมาทำความดีก่อนทำได้ทันทีจะจิตใจมารับความชั่วก่อนได้ทันทีอาจะแผ่เมตตาในใจมองนี้ดีอะไรต่าง ได้ขาดแขนคิดจึงได้ประกอบด้วยเมตตาทำสิ่งใดประกอบด้วยเมตตาพูดจึ่งใดประกอบด้วยเมตตาตั้งแต่ด้าและรับหลังในสรรพสิะะ่งทุกสิ่งเสริมเข้าไปอย่าเลือกที่เล็กมักที่ชังให้เป็นอปัมญากวงใหญ่ไพศาล บางทีกรรมาฐานมีสิ่งเหล่านี้ขวงขั้นเป็นอคติเกิดขึ้นได้บางทีมันมีนิสัยมาก็ฝึกนิสัยเอาพระพุทเจ้าเป็นนิสัยเคารพพระธรรมทำดีก็ดีทำช่วงกว็ชัว่วอย่าทิ้งตรงนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรม เป็นมาแล้วเป็นอยู่ไปด้วยรั้งพระพุทธเจ้าที่สอนอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นมาแล้วกำลังเป็นอยู่กำลังทำอยู่ก็ลบก็ลบความชั่วก็รบความดีจีงใดที่ความชั่วอย่าเข้าไปใกล้เขาลบไดเป็นความดีเนาะมันก็มาเขาลบ ต้องโบยเทียนสอนพวกเราเคารพขี้ไก่ขี้ไก่นี่มันของเหม็นอย่าไปเหยียบ ม, มันถ้าเห็นเราเลีกมันถ้าไปเหยียบ ม, มันเหม็นมันก็ติดตัวเราไปนั่งอยู่ใครเขาก็เหม็นยิ่งเป็นสิ่งหน้าเคารพกวามชั่วอย่ามาพูดอย่ามาคิดอย่ามาทำ วันนี้อะไรก็ตามมันเกิดขึ้นให้เราเห็นทุกวันนี้มันมีการแสดงความชั่วเป็มไปหมดมอกจากเ่็นสิ่งแวดล้อมบางทีก็อยู่กับเพื่อนของเราก็มีได้บินทบาท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 ก็จะไม่ทำเหมือนเพื่อนเราทำเอาความไม่ดี่มาสอนตัวเราไม่เอาอย่างเอาอย่างความดีขี่นพิกตุดนี้ประอยู่แถวเขาคิดโกดข้างเขาคิดโกดม่เป็นห้วยพิกตุดนี้เห็นวันช้างเอาช่างอาบน้ําบอกช่างลงไป คนช่างก็นั่งอยู่ข้างบนหั่งดอกไฮช้างล่างหลังมันก็เอาดูดน้ามาพ่นหลังบอกไฮช้างเอาน้ํามาล่างข้างมันก็เอาดูดน้ามาพ่นข้างใต้ข้างขวาดอกให้ช้าง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 บนต้นไม้ช่างก็ไปนวดตัวนวดหลังนวดข้างนวดข้างขวานวดท้องก็เห็นไหมต้นไม่เบาเอหลังเลยนวดนวดนวดนนีข้างนวดนวดอันข้างนวดนวดบีก็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 มันสำหรับช่างสมัยก่อนช่างป่าเวลามันลงน้ําก็มาสีก็เห็นเป็นรอยอยู่เรียกว่าอุทยานหินช่างสีไม่ว่าจะเป็นไรก็ตามเชาวว่าน ช, า ว, า, นชาวลวนเราเนี่ยวัวควายถ้ามีใจสมใจลีตัวมันช่างก็เหมือนกันวัวควายก็เหมือนกันก็เห็นไหมโยมควายมันสีเสา บางทีเสาว่านเรามีขนขาดอยู่เต็ไมไปหมดเลยมันนวดตัวมันมันร้อกลมไปนวดตัวอย่างอันนี้เครื่องนวดมันวิวัฒนาการเจริญขึ้นเป็นแสนแสนล้านล้านแต่ไม่ก่อนเอาจนษม่ละภิกษุณีเห็นช่างปฏิบัติตามคำสั่งของผววช้างเอาอย่างช้าง ต่อไปนี้เราจะสอนเราภาษาช้างก็ยังสอนได้เอามาสอนตัวเราเองอะไรเป็นความดีเราจะรู้สึกตัวอยู่นี้เราจะมีสติอยู่ลมหายใจเราจะวางปล่อยวางความตัวตนความทุกข์ความรักความชั่งจะวางมันเกิดที่ใดวางสอนตัวเราไม่นานใดเป็นผลานทันเดย์ิกเซลเนเอาอย่างช้าง แล้วก็มีแบบฉบับอยู่แล้วแบบอย่างอยู่แล้วพราะทำไว้ไหนของเราอ๋อใส่ทำไว้ไหนเป็นใหญ่ในพวกเราเคาลบทำธรรมะอยู่ภัยหน้าเคารบธรรมะอยู่กับพ่อกัแม่กับหน้าเคารพพ่อแม่ธรรมะอยู่ในครูอาจารย์ก็หน้าเคาลบครูอาจารย์ธรรมะอยู่กับลูกศิษย์ก็หน้าเคาลบลูกศิษย์ ธรรมะอยู่กับแม่ชีภิกษุณีพระสองยอดยอมพปพกคนที่น่าเคารพเคารพธรรมมีที่มีอยู่ในคนแล้วก็มองออกสิ่งที่พูดออกมาเป็นปิยะวาจากที่คิดเราก็มองเห็นจิตเดิมเดิม <c oughs> ที่เกิดจากกิตใจของคนโดยหน้านตาก็รู้ ตกอติเ้าก็เขารบอยากเข้าไปใกล้เหมือนพระเจ้าไปบินทับาตทามเห็นพระเจ้าบินทับาตปโัโทอะไรปรโัโท้อฮะรา ม, มาอะไร มองเห็นระเจ้างือเลยบัดทั่วบัดท่ฮ่าฮ่ถ้าใครมีลูกชายอย่างนี้พ่อแม่ได้นินปานถ้าใครมีเสือมีอย่างนี้ปัญญาได้เนพานถ้าใครมีพี่ชายอย่างนี้น้องได้นินปาน ถ้าใครมีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนได้นิพพานเห็นหน้าก็เยินใจแล้วหน <c oughs> ้าเพื่ออะไระรอเพราะเขาบรบธรรมปัทปัดทมีไหมเห็นกันแลโอ้ยอยากเข้าไปใกล้อยากเข้าไปใกล้เราจะไปเป็น <c oughs> สิงเป็นเสือทับบายคนเราแท้ๆไปเกียดไปชังกันตามมายิ่ยาเบียดเบียนตามมา ความเป็นมนุษย์ของเราเคยเจ็บเจ็บตายมาทำความดีเนี่ยมาช่วยกันเราก็จะอยู่ได้ไม่นานหรอกเอามาทำความดีมันอาศัยได้ความดีเนี่ยมันบริสุทธิ์จะตื่นก็สบายจะหลับก็สบายจะ่ตายก็สบายก็ตายก็ตา เราจะพูดเราวมันไม่อยากจะเลือมเรื่องนี้เลยลายลงไปใจมันฝ้า ย, ยางั้นเช่นฝ้ายกิ่วที่สุดเลยแล้วก็วางอืไม่เป็นไรเราไม่มีบาปไม่กรรมอะไรไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไร ชื่นใจไม่มีผลกระทบกระทือนไม่มีสะดุ้งอะไรในบาปในกรรมมีแต่ทำความดีมาไม่เคยผิดสิ่งผิดธรรมไม่ต่ความดอาีอาจารย์ตต้จับมืออยูอ่ถ้าเราตายก็ไม่ไม่ตกนรกเด็ดขาดไม่เป็นเปรตไม่เป็นุรกเข้จากน้อยต้องมี สุขติอันนี้ก็าตายไปกี่นะตายไปก็มีเทวดามาจับมือนี่ยอ่ะันสบายเอ้จริงจริงนะมีเทวดามาสุขติสบายมีเทวดามานวดมือให้ข้างซ้ายข้างขวาออ เทวดาเนี่ยมาจริงจริงนะเทวดาที่นวดมือเราเนี่ยต้องมาจากบัติีมันตะสาวติชั้นสูงสุดพวกจ่าตูมนี้ไม่มาตัวนี้มันชั้นต่ำต้องเป็นชั้นต่างเทวดาชั้นสูงล่ะเเทวดาจริงเลยต้องอยัางปลูกตัวเองเกินมา บุกเตือนขึ้นมาพยายามสร้างความสงบ เ, เห็นจจ น, น, <c oughs> น้ําต้มนวดบปเออเนี่ยใจนทําต้มจจนวดเนม่ค่อยหลับค่อยนอนอยู่ข้างเตียงจ้งการคิดตรงนั้นนะไม่ไม่เป็นปัญหาอะไไม่ความสุขไม่ความสงบ <c oughs> ไอ้บาตายเป็นทุกข์นยไม่มีแน่นอน ถ้าเราไม่มีบาปไม่กรรมแต่ว่าเท่ากันไม่ีบาปไม่กรรมเนอมีทุก์แน่นอนกลัวแล้วกลัวแล้วพ่อลองอยู่ลูกก็อนน่งอยู่กลัวแล้วกลัวแล้วลองอยู่ลูกเต้าก่กลัวอะไรพ่อกลัวอลไย อเขาไล่จับกูอยู่นะสูงไม่ดูหรือไม่มีดอกไม่มีรอกโอ้มันมาดูเนี่ยมันไม่ดูพ่อหรือเนี่ยไล่จับพ่ออยู่ไม่ช่วยพ่อเลยนะใครก็ช่วยไม่ได้ลูกนั่งจับแขเนี่ยกลัว่าแล้วกูวว <c oughs> อะไรมันสะดุง้งมันมีบาปเองครับอ๋อตาไปเห็นคนจะตายเนะ่ยแต่ก่อนก็เป็นหมอคนจะตายก็ไปดู ตกเบ็ดอยู่ต ว, วางมือไว้ได้ต้องปล่อยให้แม่ทำโอ้สังเกตว่าตกเบ็ดแม่คนนี้ตกไปเบ็ดตอดเวลาไปทิดเบ็ดทีด่แบบนี้อดีก็ปลดปาใส่ข้องตกเบ็ดนะจับแขนไว้มาอยู่ ปอ ย, ยต้องปล่อยให้ทำมันจับไว้ไม่ได้แข็งไปหมดเลยอันนี้ก็ทำ <c oughs> มันเคยกินอ่ะมันติดเป็นเหม็นหย่อนนด้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลบาปกรรมแลว มันเป็นตามันติดตาทำดีเถอะพวกเรานะมีสติสัมปชัญญะอย่าไปอาศัยใครทั้งสิ้นแลยมาปฏิบัติทําเหรลาอาจารย์มาสิบวันลูกบอกลูกว่าจะมาสิบวันแล้วสิบวันแล้วสิบห้าวันนี้แล้วไม่มีอำนาจเราต้องไปสซล ต้องแวกต้องผ่านต้องทวนพอสมควรอย่าอ่อนเอ <c oughs> ต้องทวนกระแสแวกไปแล้วจะมีอะไรอยู่มันเราวาปลโพธดมันไปไหนไม่ได้ปาลโพูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผูกดึงไว้ยอดวาลโพธดห่วงยอด ลูกหลานบริโภคห่วงลูกหลานรับบริโภคห่วงซัพย์สมบัติต่างๆมีบริโภคทำให้เราห่วงยิ่งจะตายมันจะยืง่งนี่ผูกเข้าไปตอนหน้าฮักลูกหมือนเชือกผูกคอตอน ห, หน้าฮักผัวเหมือนสอบผูกศอกตอนหาฮักของเหมือนปอกศพถอดบริโภคไปไม่ได้บางทีก็ห่วง งองอนนัตอันนี้ขึ้นมาจะรู้สึกตัวไม่มีลเลยยิ่งเวลาจะตายเนี่ยยิ่งกังวลอย่างคนลุกดิลุกโดนกลัวจะเป็นไงไม่เลยจะปล่อยลองปล่อยเราชาั่งสติอันวางรู้สึกตัวบรรางอิสระเต็มที่คอมีสติปลอดจากปัญหาต่างๆ พ่อตัวเองเวลาใดเราไหนสร้างสติมันงดหนาวสุดหัวใจนั่นสุดหัวใจหรอโอเจ้าวา่สมัยหนึ่งพระเถระทั้งหลายไปอยู่ในป่าอาโนนวาเลอนุทธะงกัลลานะสาลีบด ไปเห็นป่าสังสาร้โยชดต่างก็ฉันฉันป่าได้อย่างนั้นดียนี้ป่านี่ดีนะสำหรับพระหูโสดอยู่ที่นี่เหมาะที่สุดอนอนพูดใิบทไม่ใช่ป่านี่ดีสำหรับพระผู้มีปัญญาเซิด์ฟบุคคลละพูดไม่ใช่ ป่านี้เหมาะสําหรับผู้มีฤทธิ์ที่ปฏิหารออันุตภูษป่านี้ดีสำหรับผู้ที่มีฌานสมาบัติอยู่เหมาะสมอุบัตีพูดขึ้นป่านี้ดีสําหรับผู้ทรงธรรมทรงไว้ไหนทวยเจ้าเดินมาพระเจ้าเดินมาพิกโศทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกัน อาโพิ่ขึ้นอาวาลีก็เพิ่มขึ้นสารีบทมงคลละอรุธะเพิ่มขึ้นเจ้าเจ้าอ่ะดูก่อนวิกจุทั้งหลายผ่านนี้ดีสำหรับเวลาฉันข้าวมาวางบาทลงดำรงสตินั่งตัวตรงดำรงสติมีสติสัมชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อม อ๋อนี่จะดีสําหรับบคุคคลผู้อยู่ประเภทนี้ที่ ส, ส่วนไรสตัลงตัวเลยทีเดียวดีสําหรับผู้ที่มีสติรู้สึกตัวนะที่ใดก็ดีถ้าเรามีสติที่ใดไม่ดีเลยถ้าไม่มีสติแนละ้วอยู่สวรก็อยู่ไม่ได้ร้อนโกรธร้อนจใจถ้าอยู่สติไม่สตินี้มันจะเย็นสดชื่นใจ เวลาใดเราเดินจงกรบอยู่ทางเดินรู้สึกเ่ยมันมันไปเสริฐที่สุดนี่เราซั์ของเราโอกาสนี่เราเต็มที่จะนอนยังไงจะชินงไงไม่ต้องคิดให้ชีเขาคิดให้แล้วหลงทานเขาคิดให้แล้วโสดายพวกเราว่าจะได้ทำอะไรในสักทีหนึ่งให้มันสุดหัวใจเราลน เพราะมีปัญหาอะไรก็มาถามเรามีเพื่อนโลกเราอยู่ที่นี่จะไม่พาหลงทิศหลงทางอาศัยพระธรรมคำสอนรรที่เป็นสัจธรรมมาช่วยกันเวลานี้มันน้อยอยู่ก็มาถา ม, ถามในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่เรียกว่าภาวนาเนี่ยมีน้อยในพุทธบริษัทจนมาก อันอื่นมากมายให้พวกเราได้ตัดเฉินใจทำดังนี้ลองดูอย่าไปจิ้งจังจนข้ามเครียดนะสนุกสนุกผิดก็หัวเราะมันถูกก็หัวเราะมันทุกข์ก็หัวเราะมันสุข ก, ก็หัวเราะมันก็มันผิดแล้วไม่พอใจไม่ใช่นักกรรมฐานอันเดียวเราจงวางใจวางใจสู่ความปกติอันไม่วันไลา เวลาเราจเจริญสติโจงกอดก็รู้อย่าไปโกดธทัาโยงบางทีโกดธทัาโยงให้ลิ่นน้องชายล้องตานะไหนาร้องให้ลิ่นมันกัดหูร้องให้ไล่เท่าไหร่ก็มันกัดอย่น <laughs> ลินเนี่ยมาเป็นตัวทาคั้วมาตีกูเลยนะ อยากลยิบตัวเท่าขวายเนี่ยมาตีกันลองดูตัวเล็กมันมุนหูมันมุนโอ้ยหูบวมหมดเลรอไอ้ลกล้อนชาวหนอใช่ชาวนาเรียบยุงลิ่นไหก็หูนี่บวมหมดแล้วนั้นเนี่ยอะไรก็โกรธได้ลิ่นตัวเล็กก็ไปโกรธให้มันโกรธให้โต เวลาไถ่ไปตอโกรธให้ตใอเอิ น, เนไปสะดุดตอโกรธให้ตอเอาไม่ไปฟันตอว่าขาตนงแตกถ้าตอมันพูดไปมันก็บอกว่าโอ้ยผมก็เกิดอยู่ีนนานแล้วจนว่าจ่น ม, <laughs> มนลากอย่างล็กลงไปเล้วเจ้าโปดูมาสอนข่อยฉันอย่างนั้นก็โกดให้ตอกับมีเมืนกันโกรธ ใ, ให้ขางเหมือนพ่อจะอีกนะ่ ไปชน ข, มไมนขังบ้านตัวหัวแตกขอมีมาฝันขางบ้านตัวงี้บ้านกล้ๆกันลุงดาบางคนมันหาเรื่องง่ายอะไรก็เขาดกน่าหอกตาแทนนี่จะมาดูแเงเดินไปชนต่อแจ้งว่าเราไม่รู้ดีแล้วขามันแตกจะได้ระวัดระวังไปโกรธให้ต่อคนโผลนิน้าโขดให้เขา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 มองไปข้างหน้าเองแต่วามดูตัวเองเห็นตัวเองนะความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้มันสะท้อรู้เจ้าตัวอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวไม่มีสิ่งที่หลอกตัวเราได้เนี่ยฝึกตน้นสนตนโอกาสเต็มที่พออยู่กันได้เนาะไม่ลาบากอะไรถ้าลําบากก็บอกพวกเราเราก็พระสองอยู่ชนี้ก็ช่วยกัน ดูแลกันบ้างเวลานี้ลองตาก็แหลงหมดหลงหน่วยตอนเช้าเนี่ยก็พอพูดได้หรอกตอนเย็นนี่ยไม่มีเสียงแล้วนั่นเป็นภาพโลกไล่กินชีวิตไปโสนเฉียไปหมดหรออันที่มันไม่ค่อยมีน ะ, ะก็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 ดูแลก็วางเย็นๆดีสุดถึงความไม่มีไม่เป็นอะไรนั่นแหละเบาวิวเขก็มีได้ทุกโอกาสความไม่มีไม่เป็นอะไรไมีได้ทุกโอกาสถ้ามาใช่เป็นชีวิตประจําวันเ้ามาันสุไม่เป็นผู้สุขถ้อมันทุกข์ไมเป็นผู้ทุกข์ไม่มีเป็นอะไรก็ไปรู้ไปเลยไปยมันจะ ชำนานวไปว เ, ไ ร, <c oughs> เรื่อยๆนะเรเย็นบ <c oughs> ่แม่เพี้ยนเรา <c oughs> อสองอนเจรเวลาพระว่กัน